เก็บตกเช้านี้ก็จะพูดถึงคือเรื่องของพระเจ้าปรรยาสิเรื่องพลังศรัทธาก็จะมีการต่อจากครั้งที่แล้วนิดหน่อยหลังจากหักลักเหตุผลแพ้พระกุมารก ป, ปะจีขันมานับถือพระศาสนาแต่ด้วยที่พระ อ, องค์เนี่ยเป็นคนรอกศาสนามานานการถวายทานจึงถวายแบบขอไปทีโดยอาหารที่ ชั้นเรลใบปาณีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มให้กับขอทานก็ให้แบบแบบหยาบขอไปทีให้แบบไม่เคารพชายหนุม่มคนหนึง่งชื่อว่าอุจลมานพเนี่ยเห็นการกระทําของพระเจ้าปรารัสริอยู่เสมอก็นึรู้สึกรังเกียจทุกครั้งที่ทาบุญใส่บาทเนี่ยจะอธิษฐานดังๆบอกข้าพเจ้าเนี่ยขอเจอ ปยาสิชาติที่เป็นชาติสุดท้ายชาติหน้าอย่าเจออีกเลยอธิษฐานดังๆหลายครั้งเนี่ยจนความทราบไปถึงพระเจ้าปยาสิพระองค์จึงเรียกจัละมะนบเนี่ยมาถามว่าทําไมเธอถึงรังเกียจเราขนาดนั้นจัละมะนบก็ตอบว่าข้าพเจ้าไม่ได้รังเกียจพระองค์แต่ไม่ชอบการกระทําของพระองค์เอ้าเธอไม่ชอบการกระทําของเราด้วยเรื่องใดหรือคือพระองค์เนี่ย ให้ทานแก่พระแก่ขอทานด้วยอาหารชั้นเลวคือให้ด้วความไม่เคารพในบาลีบอกว่าบางทีไม่อยากแตะด้วยเท้าด้วยซ้าของที่ให้เนี่ยเสื้อผ้าขาดขาดอาหารก็เราเลวข้าพระองค์จึงรังเกียจในการกระทำของพระ อ, องค์พระเจ้าปยสิเนี่ยก็บังคให้ควรดูก็เห็นด้วยว่าการกระทำพระองค์อองเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงพระ อ, องค์จึงตั้งให้อุจลามนพเนี่ยเป็นคนจัดการเรื่อง การถวายทานให้พระ อ, องค์หลังจากนั้นเนี่ยจรตมานพก็ทำบุญอย่างดีเลยเลยบอกให้พระเจ้าปายิสิเนี่ยพระ อ, องค์ทานอย่างไรใช้ของอย่างไรก็ให้ทําทายแบบนั้นแหละแต่ตัวของอุตตมานพเนี่ยก็ทําปานี่ยิ่งขึ้นเพราะทําด้วยมือทําด้วยศรัทธาหลังจากท่านคู่ตายไปเนี่ยพระเจ้าปายสสิก็ไปเกิดเป็นเทวบุตรอยู่ชั้นจาตุมซึ่งเป็นชั้นที่ต่ำที่สุดของสวัสดหกชั้น ส่วนอุจรามานพเนี่ยไปเกิดอยู่ชั้นดาวดึงซึ่งสูงกว่าและมีบริวารมากมายมาตอนหลังเนี่ยเทพบระุดประญาศีเนี่ยก็ฝากพระลรหันมาบอกกับชาวโลกด้วยว่าสมัยที่มีชีิอยู่เนี่ยพระองค์เนเป็นมิจฉาทิฏฐิพอตอนหลังกลับตัวกลับใจแล้วก็ถวายท้าด้วยความไม่เคารพไม่เลื่อมใสจึงต้องมาเกิดอยู่ชา ย, ยาตุมเนี่ยเรื่องนี้ก็ไปอุทานหอนเป็นอนุสติกับชาวพุทธนะว่าการทาบุญเนี่ย จะต้องทำด้วยศรัทธาทําด้วยเจตนาบริสุทธิ์ถึงจะได้บุญมากบุญที่มีผลมากเนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบนะหนึ่งให้ด้วยความพอรับให้ของปาณีชี่คือของที่ให้เนียก็ต้องให้แบบว่ามาจากน้ําพักน้ําแรงตัวเองของที่ไม่ได้คดโกงเข้ามาจึงเป็นที่ส่งมากสองให้ด้วยเจตนาบริสุทธิ์ไม่ใช่ให้ไปแล้ว เสียดายอะไรอะไรคมลงนั้นข้อสามแล้วผู้รับเนี่ยก็ต้องมีศีลมีธรรมด้วยแต่ชาวพูดเนส่วนมากข้อหนึ่งข้อองเนีทำได้เองแต่ข้อสามยากหน่อยเพราะเราไม่รู้ว่าใครเป็นพระรบุ ค, คนอันก็ต้องดูเอาเองข้อสามเนี่ยมีเรื่องเล่าสมัยต้นกรุงน่านโกศินเนี่ยมีแม่เล้าอยู่คนหนึ่งแม่เล้าเนี่ชื่อว่าใหญ่แฟงก็ทาธุรกิจเกี่ยวกับซ่อง จนฐานะร่ำรวยแล้วยายแฟงที่เป็นคนที่เข้าสังคมชั้นสูงนะคบคนมีระดับทั้งนั้นเลยสมัยนั้นเถือเป็นคนดังคนหนึ่งอะ่ะตอนหลังเนี่ยพอแก่ตัวไปก็สำนึกว่าตัวเองมีความผิดทำบาปทากรรมเหมือนกับใช้แรงงานของผู้หญิงหางเงินให้เธอเนอี่ยก็เลยสร้างวัดขึ้นมาแล้วจากสร้างวัดเสร็จก็นิมนต์มหาโต มาแซงทำวันที่สร้างเสร็จประมาณพศสองสามเจ็ดหกนะอยู่ในยุค ข, ของปลายราชกาลที่สามแล้วตอนนั้นมหาโตก็ยังอายุยังไม่เยอะมหาโตเป็นคนพูดฝนาาันภาซากเวลาแซงทำก็บอกว่ายายแฟงสร้างวัดเนี่ยได้นในไอิสงเนี่ยกับพ่องกับกับแพงได้บุญก็ไม่เต็มที่เพราะเงินที่ได้มา ไ, ไม่บริสุทธิ์ได้ไปจางน้าพักอําแรงคนอื่นไม่ถูกต้องตาม คำนองของทำถ้าเปรียบเงินบาทเนี่ยยายแฟงก็ได้สักไม่ถึงสลึงเฟืองนี่พูดแบบเกรงใจแล้วนะคนที่ฟังอยู่เดี๋ยวหัวเราชอบใจแต่ยายแฟงไม่ขำด้วยยายแฟงรู้โกรธมหาโตมากอยากจะไปด่ามหาโตแต่ก็ด้วยความที่มหาโตเนี่ยเป็นพระที่คนในลั้วเรีวางรับถือจึงไม่กล้าได้แต่กระแทกกันเทศ แ, แรงแต่ก็ขุนเคืองอยู่ หลากนไม่นานเยฟานก็เป็นนิมนต์ทุนกระหม่อมทุนกระหม่อมที่วัดบวรมาแซงทำทุนกระหม่อมนี่ก็คือรัชากาลที่สี่ตอนนั้นยังทรงผนวดอยู่ยังไม่ได้ลาสิขาไงพาทุนกระหม่อมแซงทำเนี่ยก็พูดแค่คล้ายๆมหาโตแหละบอกว่าถ้าทําบุญเนี่ยนีจิตใจไม่ผ่องใสจิตใจขุนมัวเนี่ยก็ได้ไอ้ทรงไม่มากแถมยังลดค่าของเยฟานจนน้อยกว่า มหาโตยยายแพวก็ขุนเคืองนะพระอุาสาหนี่มุ์มาแก้หน้ากับหนักกว่าเก่าแต่ตอนหลังก็สำนึกได้วันนั้นเชื่อวัดใหม่ยายแฟงตอนหลังก็เปลี่ยนเป็นวัดคลิกาผลวัด น, นี้ก็อยู่ที่หน้าโรงพับพระ พ, พ, พาชัยอะ่ะอันนี้ปึกทาหอนวันนี้สร้างมาจากน้ำพางแรงของโสเภณีนั้นการทำ บ, บุญเราก็ทําด้วยศรัทธาจึงจะมีทสงมากทำด้วยเงินที่บริสุทธิ์ด้วยเจนาที่ดีด้วย ขวดมาก็ยกตัวอย่างของการที่อ น, นิสง์ไม่มากแต่ตอนนี้จะจะยกตัวอย่างของอ น, นิสง์ที่มากและเห็นผลฉับพันเลยก็คือสมัยพุทธกาลเนี่ยมีาามพราหมณ์ผัวเมียอยู่พราหมณ์มีฐานะยากจนจนมากเลยขนาดมีต้องใช้ผ้าหมร่วมกับภรรยาถ้าพราหมณ์ออกไปข้างนอกเนี่ยภรรยาก็ต้องอยู่บ้านเพราะมีผ้าผืนเดียว ทั้งสองคนต้องสลับกันอ่ะคือโจรขนาดไหนอะ่ะคิดดูก็แล้วกันแล้วมีอยู่วันหนึ่งก็มีการประกาศแสดงธรรมทั้งคืนพามก็ให้ภรรยาไปก่อนตอนกลางวันและตัวของพามเนี่ยก็ไปฟังธรรมตอนกลางคืนโดยไปแอบอยู่ข้างหลังข้างหลพพังนั่นแหละพระพุทธองค์แสดงธรรมไปเนี่ยพามก็บังเกิดปิติซาบซ่านเกิดปิติอย่างรุนแรงนะแ้วหัวมัตาไหล จนมีจิตเนี่ยอยากจะถวายผ้าห่มเนี่ยให้เป็นทานกับพระพุทธเจ้าตอนนั้นก็เป็นช่วงปฐมยามแคระที่คิดจะให้เนี่ยก็มีจิตอีกหลายดวงแล้วบอกให้ไม่ได้นะเราต้องใช้ร่วมกับภรรยาแถามในสมบัติเราก็มีชิ้นเดียวเกิดความคิดขัดแย้งกันจุดแล้วจนรอดก็ตัดใจไม่ให้พอผ่านไป จนมะชิมะยามความคิดนี้ก็ผุดมาอีกฟังธรรมแล้วเกิดปติทราบซ่านก็อยากถวายผ้าห่มให้พระพุทธเจ้าจิตดวงหนึ่งคิดจะให้แต่จิตอีกนับนับพันนับหมื่นดวงเนี่ยผุดขึ้นมาบอกให้ไม่ได้นะให้ไปเลาเเลือดร้อนจนในที่สุดเนี่ยก็แพ้พามก็ไม่ได้ให้ขั้นถึงประชิมยามอันนี้เป็นยาสุดท้ายแล้วพามก็มีความขัดแยง้ง แต่ด้วยความคิดที่มุ่งมั่นรู้สัตย์ทาที่แรงกล้าเป็นไงเป็นการตัดใจถวายให้พระองค์เลยพระหม่มที่ที่ห่มอยู่อะหลังจากความคิดจะให้เด็ดขาดเนี่ยดวงจิตต่างๆที่คิดจะผาดกวางก็แพ้รับคาบเลยผ่าก็ตะโกนชนะแล้วเราชนะแล้วดังลั่นโดยหมดพระเจ้าประเสริฐที่โกศลถึ่อยู่บริเวณนั้นพระองค์ก็มาร่วมฝังธรรมด้วย ก็สงสัยเอ็กคไคัชนะอะไรแถวแถวนี้ก็ถามไปก็รู้เอาพามมีผ้าผืนเดียวเนี่ยถวายพระองค์สําเร็จแล้วก็ดีใจพระเจ้าไป็นเสิอกุศลเนี่ยชอบใจในพามมากจึงมอบผ้าให้อีกสองผืนผ้าอย่างดีเลยพามได้ผ้ามาก็ถวายพระรูปเจ้าอีกพระเจ้าไป็นเสือกุศลก็ให้อีกจากสอง สี่แปดพามก็ให้ผู้เจ้าหมดเลยเหลื อ, อไว้แค่คู่เดียวเพื่อใช้ร่วมกับภรรยาแล้วพระเจ้าเป็นสุกุศลก็ให้ผ้าแพรงดีไว้าพามก็เห็นว่าตัวเองเนี่ยไม่คู่ควรกับผ้าแพรเท่าไรก็นำผ้าแพงดีเนี่ยไปขึงไว้ที่ห้องบรรทมของผู้เจ้าผืนหนึ่งไว้ที่บ้านตัวเองผืนนึ่งสำหรับนิบนพระมารับประทานอาหาร ตอนหลังเนี่ยพระเจ้าประสิธิโกศลเนี่ยเสด็จไปที่กุฏิพระเจ้าเห็นพระแพรจำได้พอรู้ว่าพา ม, มาให้เนี่ยก็เกิดมีความชื่นชมและสารเสรินพามเป็นมากแล้วก็มอบทรัพย์สมบัติให้อีกอย่างละสีคู่ไม่ว่าจะเป็นช้างมา้าวัวควายหมู่บ้านสวยต่างๆเนี่ยอย่างละสี่ทำให้พามเนี่ยจากคนยากจนมีผ้าผืนเดียวตอนหลังก็กลายเป็นเศรษฐี สบายสบายไปเลยอันนี้เป็นที่สง์การทําบุญที่ทำได้ยากเพราะว่าหมดเรืองบัตรตัวไม่มีใครทําได้หรอกอย่างตัวผู้พูดก็ทําไม่ได้ต่างกับคนที่ร่ํารวยมีเงินเป็น ล, ล้านแล้วทําบุญเป็นหมื่นเป็นแสนหรือเป็นพันยิ่งง่ายกว่านี่ทําแบบชิ้นหมดเรืองบัตัวเลยมีสมบัติอยู่ชิ้นเดียวแล้วตอนหลังผู้พระองค์ก็อธิบายให้พวกพวกพระในสํานักเข้าใจว่าถ้าพราหมณ์เนี่ยตัดใจ ถวายผ้าห่มเนี่ยแก่พระเจ้าองค์เนี่ยตอนปฐมพยามเนี่ยจะได้านนี้สงอย่างละสิบหกหมดเลยอันนี้สงจะรุนแรงพอมาถวายถ้าตอนปชิมยามเนี่ยก็จะลดหลั่นลงมาจากสิบหกก็จะเหลือแปดอันนี้ปชิมยามก็ได้อย่างละสี่ก็ลดลดแรงไปตามตามเวลาถ้าเราจะทำความดีเราต้องรีบทำเลยอย่าต่อรองกับกิเลสเหมือนจะอดทำ สมมติที่จะให้ทำบุญให้ใครช่วยเหลือใครต้องรีบช่วยเพราะถ้าต่อรองผัดวันประกันพุ่งเนี่ยโอกาสทำดียากแล้วอันนี้เป็นอุทาหรณ์ที่คิดไว้สำหรับคนทำบุญดีต้องรีบทําแต่ความช่วยต้องต่อรองนะสมมติจะไปด่าใครไปทะเลาะอะไรกับใครไปเบียดเบียนใครต่อรองเฮ้ยอย่าเพิ่งหยุดไว้ก่อนต่อรองได้กีเลทอย่าเพิ่งรีบร้อนใจเย็นแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้ ก็เกิดขึ้นสมัยพุทธกาลเหมือนกันมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าพยยะวันหนึ่งเดินทางด้วยเรือเนี่ยเกิดเรือล่มแต่ก็รอดชีวิตขึ้นฝั่งนะแต่น้ำทะเลก็พัดพาเอาเสื้อผ้าเนี่ยกระจุยกระจายหายไปเลยตัวเองก็เลยเปลือยเปล่ า, ลาขึ้นบนบกก็หาพวกเปลือกไม้ใบไม้เนี่ยเอามา ประบังทอดล่างเพื่อไม่ให้อุจารชาวบ้านเห็นก็คิดว่าเป็นผู้สงสีนหรือนักบวชถ้าเกิดศรัทธานำผ้านำของมาให้พัายะก็ไม่เอาเพราะถ้าเกิดรับผ้ามาใส่เนี่ยเดี๋ยวคนก็เลิกศรัทธาก็เลยไ ป, ปชีเปลือยแหละห่มนุ่งใบม้อยู่งั้ น, น่ะ พะคะุณศรัทธามากเนี่ยก็คิดว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์เขาชาวบ้านยกย่องไงก็ได้อาหารกินไม่ขาดสะดวกสบายแต่จากนั้นไม่นานพระพหมทึ่อดีตเนี่ยเค ย, เคยเคยปฏิบัติธรรมร่วมกับพยะก็เรา้องเท้าฟาไปเรื่องอดีตนิดหน่อยอดีตชาติสมัยพระพุทธเจ้ากัส ป, ปะ หลังจากที่พะย่ะชัดชาติ น, นั้นเนี่ยได้ฟังธรรมแล้วเกิดสลดสังเวชในชีวิตเนี่ยก็เลยตั้งใจจะปฏิบัติธรรมโดยที่ชีวิตเลยนะโดยขึ้นเขาเจ็ดรูปแล้วก็บนเขาสูงขึ้นเจ็ดก็ผักกระไดทิ้งเลยถ้าไบมเบรู้ธรรมเนี่ยก็ต้องอดตายอ่ะไม่สามารถลงมาหาอาหารได้อ้าวพอปฏิบัติธรรมวันแรกก็มีพรอีกรูปหนึ่งบรรลุเปอารหันพระอรหันต์ก็ เหาะได้นะก็เหาะไปบิฏิบาติในหมู่บ้านแล้วก็นําอาหารมาเลี้ยงแต่พระที่เหลือไม่ยอมนะไม่ยอมรับอาหารจากพระอาหารแล้วก็บอกพระอาหารอย่ามากวนไม่ต้องมาลบกวนเสียเวลาในการปฏิบัติธรรมเอาต่อมาไม่นานก็มีพระอรูปหนึ่งบรรลุไปอนาคาส ม, มีไปเกิดไปพระพรหมเนี่ยแล้อีกห้าห้ารูปเนี่ยไม่บรรลุอะไรเลยไปผู้ดุชน แต่ด้วามุ่งมั่นที่แรงกล้าอดอาหารตายบนภูเขาเนี่ยก็ทำให้กลับมาเกิดอีกในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันส่วนพระพรหมที่เป็นสาธ ร, รมมิกที่ปฏิธรรมร่วมกันเนี่ยคิดถึงพวกที่ปฏิธรรมร่วมกันก็ตรวจด้วยยานก็รู้ว่าพระพยะเนี่ยยังไม่ใช่พระอรหันต์มีความเข้าใจผิดและมีทิฏฐิลามก จึงลงมาอย่างโลกมนุษย์แล้วมาเตือนเตือนสติแล้วก็ว่าด้วยคำพูดที่รุนแรงนะคำพูดเข้าห้างรุนแรงกระแทกเลยจนพายะเนี่ยสำนึกและพระพรมก็บอกบอกว่ามีพระอรหันต์ที่แท้จริงอยู่บนโลกนี้อยู่ที่เมืองสาวัตถีพอได้ยินคำว่าพระอรหันต์ที่แท้จริงเนี่ยพายะเกิดศรัทธาอย่างแรงกล้าเลย รีบเดินทางทั้งคืนเลยนะไม่ได้หยุดเลยระยะทางนะ่ะน่าจะประมาณ120ร้0ยยี่สิบโแต่จริงไม่น่าเดินได้หรอกแต่ด้วยอนุภาพของของพระพรที่ช่วยยกระยะทางทาให้ไปถึงถึงเชรวั น, นตอนเช้าไปถึงที่สำนักไม่เจอผู้ละองเพราะว่าผู้ละองไปวินาบาทพายะจึงรีบเดินตามไปที่ในเมือง เห็นพระองค์กำลงังบิทบาทอยู่จึงเข้าไปกราบและทูลขอให้พระองค์เนี่ยแสงดงธรรมโปรดพระพุทธองค์เนี่ยทรงทราบด้วยญาณว่าพายะเนี่ยตอนนี้เกิดปิติปามโมทิอย่างรุนแรงยังไม่พร้อมที่จะฟังธรรมจึงไม่แสดงธรรมบอกเวลานี้เวลาบิทบาทไม่ใช่เวลาแสดงธรรมผ่านไปสักพักหนึง่ง พายะก็กราบขอให้พระโอษฐาทำอีกโดยอ้างเหตุผลว่าไม่รู้ว่าพระพุทธองค์เนี่ยจะรัะสังขารหรือปณิธานเมื่อใดและตัวเองก็รู้จะตายเมื่อใดจะทำให้เสียโอกาสพระพุทธองค์ก็ยังไม่แสวงทำจนครั้งที่สามตอนนี้พระพุทธองค์ทรงทราบด้วยญาณว่าพายะเนี่ยมีอินทีย์ถึงพร้อมแล้วจิตเริ่มสงบ จิตน้อมสามารถฟังธรรมได้จึงแสงธรรมสั้นๆว่าพัยะไม่เห็นสักว่าเห็นเมื่อได้ยินสักว่าได้ยินเมื่อทราบก็สักว่าทราบเมื่อรู้แจ้งก็สักว่ารู้แจ้งเมื่อนั้นเธอจะไม่มีทั้งนไม่มีตัวตนทั้งในโลกนี้และโลกหน้า นั่นในระหว่างโลกทั้งสองนั่นคือที่สู่แถ่งทุกนั่นแหละพยะพอฟังธรรมจบเนี่ยก็บรรลุธรรมทันทีเลยและเป็นเอตะกระทะที่บรรลุธรรมเลยวี่สุดหลังจากบรรลุธรรมเป็นพระอะหันเนี่ยก็ทูลทูลเพื่อจะบวชพระพุทองทค์ก็ไปหาให้บอกให้ไปหาบาทแล้วก็ผ้ามาแต่ด้วย กรรมเก่ามาตัดรอนก็ไปเจออวบ้ากุศิตายจึงไม่ได้บวชแลัอจากตายไปพวกพระ ก, ก็สงสัยว่าพญาจะเป็นพระหรือไป่โยมกันแน่พระพุทธองค์ก็ให้สร้างสถูปเอ้ก็ให้สร้างอาวัธิใส่เจดีแล้วก็บอกเป็นพระอรหรันต์นั้นพระอรหันต์จึงไม่ได้อยู่ที่เครื่องแบบนะอยู่ที่ใจที่บริสุทธิ์ อันนี้เป็นศรัทธาที่ศรัทธาที่แบบถึงกับหลุดพ้นเลยสรัพัยยะก็เป็นเครื่องเตือนใจให้กับุกให้กับเราทุกคนเนี่ยถ้ามีศรัทธาถูกต้องเนี่ยเราก็ถึงที่หมายได้อย่างเราอยู่วัดเนี่ยถ้าเราศรัทธาครูบาอาจารย์ศรัทธาหลวงพ่อเทียนศรัทธาหลวงพ่อข้อมเขียนศรัทธาหลวงพ่อไปศารถ้าเรา น้อมมาปฏิบัติไม่ใช่ฟังแบบลูกแก้วลูกขุนทองนะเราก็จะเกิดปัญญาถึงเราจะไม่บรรลุธรรมเรากค่อยๆเป็นค่อยไปแล้วเชื่อว่าหลวงพ่อเทียนเนี่ยบรรลุธรรมจริงๆกรรมฐานการเคลื่อนจารไหวเนี่ยไม่ใช่ว่าทำเล่นๆนะการเคลื่อนมือการเดินยังกรมมันยังไม่ให้ผลหรอกามทําใหม่ๆถึงไม่พร้อมแต่มันจะให้ผลตอนเห็นรูปเห็นนามเห็นความคิดเมื่อไหร่ะ มันจะต้นทางการการปฏิบัติมันจะทิ้งความเชื่อผิดๆทั้งหมดเลยถ้าเห็นเห็นรูปนามเห็นความคิดเมื่อใดนะมันจะมีธรรมะเป็นของตัวตัวเองไม่ต้องไปเชื่อคนอื่นแล้ว ม, มีที่พึ่งแล้วมันค่อยเดินตามทางให้ถูกต้องเวลาเผลอไปก็รู้สึกตัวคิดไปรู้สึกตัวอารมณ์ต่างๆมาครอบงำก็รู้สึกตัวอารมณ์กูศสนกูโสนรู้หมดอันนี้เราเริกมปที่พึ่งแล้วแล้วก็จะเห็นว่าเราไม่ใช่ตัวตนจริงๆ แต่เมื่อก่อนเลยยึดตัวกูของกูยึดนู่นยึดนี่พอเราเห็นเนี่ยความยึดถือเราก็น้อยลงแล้วบางทีเราอยู่สถานการณ์ที่ไม่ดีเท่าไหร่หรอกอย่างวัดคนแม่น่ารักก็เยอะคนมิฉายิฐิก็มากไม่ได้ดีทุกคนแต่คนที่ตั้งใจฝ่ายดีมีศรัทธาต้องการพ้นทุกข์ก็มีเราก็อยู่ร่วมกันได้แหละทั้งมิชฉาทิฐิสมาธิฐิอยู่ร่วมกันโดยที่ว่าตัวเองก็ไม่ทุกข์ สามารถทำประโยชน์ตัวประโยชน์ท่านได้ศรัทธาพลังแห่งการศรัทธาเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะถ้าเราไม่ศรัทธาเนี่ยเราทําอะไรก็สําเร็จยากศรัทธาก็คือความเชื่อมั่นแต่ต้องไม่งมงายนะเพราะศรัทธากับงมงายของคู่กันศรัทธาด้วยปัญญาดิไม่งมงายอย่างเมื่อคู่เราก็ได้ฟังบทสวดสวนมนต์เนี่ยถ้าศรัทธาในพระอนาคตเนี่ยเราก็ต้องมีปัญญามีศีลกันศรัทธาในพระพุทธเจ้า ก็เป็นกำลังให้เรานะให้เราเนี่ยมีมเป้าหมายสามารถทาความทุกข์ใหหมดได้แต่เราไม่ศรัทธาเป้าหมายเราก็ไม่มีจิตเราก็ไม่มีกําลั ง, างเหมือเลิกล้มกลางกลางคันก็ได้ธราก็ยกตัวอย่างทั้งด้านดีด้านแย่ของศรัทธาให้พวกญาติโยมได้ฟังกันก็เห็นว่าน่าจะมีประโยชน์ ตอนนี้ก็เห็นว่าสมควรกับเวลาก็ขอจบลงแค่นี้ขอความสุขความเจริญธรรมจงมีแก่ญาติโ ย, ยมยิ่งขึ้นไปเอวัง